ถามว่าเราไม่ได้เข้าไปสูว่วัดวายศาสาศนาสเลยๆหลวงพ่อว่ากิเลส ต, ตัวนี้นะมันจะเกลนะเออมันมันเป็นสนิมนะเออมันจะพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆเผ อ, อๆมันอาจจะไม่เชื่อบาปเชื่อบุญอีกต่างหากเพราะนั้นนถ้าว่าพวกเราพยายามสั่งสมคุณงามความดีเรื่อยๆพวกเราจะประสบความสุขในทางด้านจิตใจ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 อยู่ลิมฝั่งแม่น้ำโขงท่านก็เห็นมันแสงมันขึ้นมาจากแม่น้ำมันขึ้นมาประมาณเม็ดเนี่ยมันก็ฟดขึ้นไปบนท้องฟ้าประมาณชั่วลำตาลนึงนะประมาณนี้แหละโดยมากท่านก็บอกว่าเออไม่จะไปพูดนะถ้าพูดเดี๋ยวก็จะหาว่าพระเห็นนู่นเห็นนี่งมงายแต่โดยมากจะเห็นเห็นวันสำคัญ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 ลุกเทวดาก็คือเทวดาอยู่ตามต้นไม้ทีสิงสถิตอยู่ต้นไม้ยึดต้นไม้เป็นที่อยู่อันนี้ว่าลุกเทวดาอากาศจะธาตุเทวดาทเท ว, วดาอยู่ในที่ว่างในอากาศแล้วก็ชันช้นจันทุ่มกัเป็นชันช้นหนึ่งจันทุนก่กับสันยันชั้นยามาตาวติงตาวติงยามาตุสิตา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 เป็นนาคไปบวชได้ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกอืในศาสนาของเราตถาคตเนี่ยสัตว์ทร่ไชาเนี่ยบวชไม่ได้เทวดาอินพรหมบวชไม่ได้ทั้งนั้นจะบวชได้ก็คือมนุษย์อย่างเดียวเ อ, อ่อถ้าเป็นมนุษย์นะ่ะบวชได้ในศาสตร์ของศาสนาของเราตถาคตเพราะนั้นจะเป็นสัตว์ที่ไรฉ า, านที่เป็นเทวดาอะไรก็ตามบวชไม่ได้ไม่อนุ ญ, ญาตให้บวช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 พญานาคจจำแรงจำแรงตัวเข้ามาเข้ามากราบมากราบพลุสีเป็นประจำแต่วันหนึ่งพญาคดก็จะเข้ามากราบพลุสีเหมือนกันแต่จำแรงตัวเองเป็นเป็นมนุษย์เหมือนกันออพอจำแรงเป็นมนุษย์แล้วจะมากล่าบพลุสีแต่ นาค ก, กับคุดมันเห็นกันในะรู้เลยนะถึงจะเป็นมนุษย์ด้วยกันก็แต่พอเห็นปุ๊บนาคเนี่ยกลัวคุดอย่างมากเนละพอเห็นปุ๊บจําแรงหลบหนีเลยเอแต่พยาคุดก็ทําท่ามองอ่ก็เลยถามลือีว่าที่ไปเมื่อกี้เนะี่ยมนุษย์อันนั้นเป็นใครลนะือศีก็บอกว่าเป็นนาคเนีเป็นนาคจากนั้นก็ก็แล้วไปละ พอต่อมาอีกพอมาเจอกั้นอีกหน้าก็ลบหนีอีกแต่คดเนี่ยก็เลยถามว่าถามฤศีว่าเอ๊ะท่านฤศีตะกรเนี่ยพวกผมนี่ยพญาคตเนี่ ย, ย, ยไปจับพญานาคเนี่ยจับพญานาค ก, กินบ่อยๆคือโดยมากเลยเหมือนกับเหยี่ยวกินงู ล, ลักษณะนี้นนะเหี่ยวจับงูน มันจะจับที่คอเลยแมมันโฉบลงไปก็จับคอแลวก็หิ้ขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยจากนั้นก็ใช้จงอยปากกัดคอเลยแล้วก็กินลำไส้ของงูเลยอันนี้พวกผู้เท่าผู้แก่นี่แตพวกตู้ขานี่ก็คงจะเคยเห็นหลุงพ่อก็เคยเห็นเหมือนกันนะไอ้พวกเหี่ยวตัวใหญ่ๆนี่กินงูไม่ใช่กินงูตัวเล็กนะกินงูใหญ่พอสมควรนะ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 คุดเนี่ยตายไปมากต่อมากไม่เหมือนตะกอดมันมีเทคนิคอะไรตะกอดมันไม่เหมือนอย่างนี้นะแล้วฤษีก็เลยถามมันเป็นยังไงคือพญานาคบอกคุดบอกว่านาคไปอยู่ใต้บาดาลอยู่ในพื้นท้องพื้นมหาสมุทรจากนั้นพญาคดเนี่ยมันจะจับพญานาคมันจะกระพือปีกมนะันเหมือนก็ะเจี่ยวมันกระพือปีกน้ําทะเลมันแหวกออก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 มากกัอพยาคุดวันนีอยาคุดก็เข้าไปรู้ไหมที่ว่าพยาคุดเนี่ยไปจับพญานาคขึ้นมาเน่ะมันไม่พ้นน้ํำพอไปจับคอมันมันเกืนหินเข้าไปในท้องอต่อไปถ้าไปจับหางขึ้นมาด้วยน่ะก้อนหินมันก็จะไหลออกทางปากมันดึงขึ้นมาได้ง่ายเฮออย่างงั้นเหรอเออทางนั้ น, ก, น, นกับไปลองเดี๋ยวนี้แล้วคน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 เออพออยากนาคือมาขึ้นม า, นมาท้องฟ้าอะไสิทางพญานาคโอตายข้าพเจ้าบอกความลับให้แกฤาษีเออข้าพเจ้าจีบหายใช่แล้วเออทางพญาครุฑบอกเ อ, อ้นอยนาคยาบนเป็นความโง่ของแก่เองเออแกไปบอกความลับให้แก่คนอื่นได้ยังไงความลับของตระกูล เนี่ยะเธอจิบหายเพราะความเพราะตะแก่บอกความลับพญานาคโอ้ยคื อ, อยังไงก็ข อ, อชีวิตไว้โดยเธอพญาครุเลยเป็นความโง่ของข่าและข้าวนี่ยเออเอาถ้าอย่างนั้นกเ็เราให้อาภายัยต่อไปนะอย่าไปอย่าไปทอีกนะครับถ้ายางั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาลือสีเดี๋ยวนี้ลหละเพราะว่าลือสีเนี่ย ผมบอกให้สัญญาแล้วว่าจะไม่พูดออผมให้สัสญญาเราจะไม่พูดจะไม่เปิดความลับแต่นี่นมันเปิดความลับนผมจะไปฆ่าฤาษีเดียวนี่แหละเพราะว่าท่านพยาคุดก็ไม่ไปด้วยแต่พยาคุดอยู่ข้างนอกพญานาขก็ไปไปตัวเดียวไปคนเดียวพอไปท่านฤาษีท่านทาไมท่านรับคำของข้าพเจ้าแล้วว่าจะไม่บอกความลับให้แกใคร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 ลือสีนันก็ตายพอตายเสร็จแล้วก็ทั้งคุดทั้งหน้าก็เลยบอกอต่อไปนีเ่เราจะเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันะจะไม่เบียดเบียนกันจากนั้นก็เหรต่างคนก็ต่างอยู่สรุปแล้วก็คือลือสีนั้นมาชาติสุดท้ายว่าเป็นเทวทัตแต่ พญาคุนเป็นพรอพุทธายเจ้าแต่พญานาคนั้นเรบว่าเป็นภาษาลิบุตรหรืออะไรเนี่ยลสรุปแล้วก็คือเป็นตระกูลคนที่กลุ่มเดียวกันจะไม่ฆ่ากันนะเห็นกันณ์อะไรถึงยังไงเป็นอริัตรูขนาดไหนก็ไม่ฆ่าฆ่ากันไม่ลงนะแต่ว่าถ้าว่าเป็นคู่อริสตูกันแล้ว น, ะนิดๆหน่อยๆมีแต่จะฆ่ากันลูกเดียว น, ะนั่นแหะเพราะมีการจองเวรกัน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 แต่ก็หลายคนนะหลายคนมาพูดให้หลวงพ่อฟังที่เขาเห็นเขาก็บอกว่าจริงๆเห็นจริงๆพระสงฆ์แล้วก็พูดแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้สงสัยว่าไม่มีในเมื่อหลายคนพูดอย่างนั้นนะตัวเองจะปฏิเสธว่าไม่มีได้ยังไงฮะแต่ว่าที่มันเป็นขึ้นมาได้นะเพราะอะไรเนะี่ยแต่ว่าพญานาคมีไหมแตหลวงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดในหลักของพุทธศาสนาก็มีเรื่องพญานาค แต่จะเป็นเท็จจริงยังไงอันนั้นก็พวกเราก็สุดแสนที่จะเดากันยากนะนี่แหละเรื่องสลับความสลับซับซ้อนในโลกนมมก้มันมีมากมันมีมากหลากหลายแต่ขนาดเพียงสัตว์ิรชันอย่างเดียวก็พวกเราก็ยังดูสิความสวยและความเป็นอยู่ของของสัตว์ิรชนัน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 ในการสัมผัสนึกคิดแต่พวกพรมเห็นโอ้เทวดาได้่ยากมากพวกพรมนี่มีปีติกับสุขเท่านั้นเองเอก ะ, กะตาคือความวางเฉยเป็นอาหารของพรมอาหารเทวดาก็ยังยาบหยาบกว่านั่นะมันเป็นขั้นตอนอย่างนั้นะการเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกแต่พวกเราเห็นชิดเานช แต่นานาชนิดพวกเราก็ยังว่ามันหยาบเทวดาเห็นพวกเราเทวดาก็บอมนุษย์เนี่ยหยาบกินของสกรปรกเป็นอยู่อย่างสกรปรกแต่พวกเราพนี่พออกพอใจมีความสุขนี่แหละอันนี้คือการเป็นอยู่การเจ๋อิเวจ๋อการของชีพสำหรับพวกสัปสัด ท, ทั้งหลายเท ว, วาไตรโลกธาต ไตรเปรว่าสามการเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายมันแปกแตกต่างกันนี่แหละนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายที่มาเกิดมาในภพนิจชาตินี้ถึงเกิดมาเป็นมนุษย์การเป็นอยู่ก็ยังแปกแตกต่างกันบางทีก็คนพิกลพิการบางทีก็คนจนคนรวยบางทีก็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 เป็นสัตว์ทีฉานก็มีทั้งที่มาจากพรมมาจากพรมโลกนะในตำรับตำราก็มีนะเพราะว่านั้นผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพะสูดาบันยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลพร้อมที่จะตกต่ําได้ทั้งนั้นคือเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารนลยสูงสู ง, สงต่ำต่ำลุ่มลุ่มอนรอ น, นแต่ถ้าว่าเราภาวนา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 ได้บรรลุมรรคผลในผ่านท่าเกตบีเกิดสชาติท่าเกตถ้าเกตชี B, เกิดเกตซีน เ, เ, เกิดเจชาติแต่พระสุรดารันไม่เกินเจชาติจะได้สาเร็จเป็นพระอระหรันแต่พระสักากทาคามีเกิดชาติเดียวพระนาคาคามีเกิดในเมืองมนุษย์พอตายไปแล้วไปอยู่ชั้นสุดถวาด5ชั้น อวิหาอัตปาสุสสาสุสเสียกนิถานไปสู่ชั้นจุดทวารห้าชั้นจากนั้นก็เข้าสู่นิพพานไม่มาเหยียบโลกอีกออไม่กลับมาเหยียบโลกอีกือพระอนาคามีแต่พระสกทาคามีมาเหยียบครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าสู่นิพพานถ้าพระโสุดาบันเนี่ยเกรด A นี่ครั้งเดียวเกิดเพียงครั้งเดียวก็เข้าสู่นิพพานนี่แหละท่านบอกไว้ในพระไตรปิฎก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 อย่างที่พวกเราได้สวดไ อ, อ้ยังโ้เมกายอยู่กายของเรานี่แลเนะี่ยของเราคืออะไรกับกายของเราก็คือใจนะั่นะเอาใจมาพิจารณากายกายของเรานี่แลเนะี่ยกายของใจนะมันมีอยู่สองเนะ่ยกายกับใจกายของเรานี่และนยะอุดทางปาตตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป จะปริยันตตัวมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนะอันนี้ก็คือเอาใจพิจารณากายร่างกายของเรานะมีหนังเป็นที่สุดรอบนะและก็จากนั้นปูโรนานปากาและสาอสุจินโนนะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆกจากนั้นก็บรรยายเข้าไปเลยนี้มีตับมีปอดมีลำไส้มีอาหารใหม่มีอาหารเก่าในร่างกายของเราเนี่แหละร่างกายของเรามีเป็นอย่างนี้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 แยกย้ายกัน